พวกเรามาเยอะนะวันนี้รู้สึกชาวอินเทอร์เน็ตเยอะมากพิเศษการสุรวัตถามาเหรอนเองอ่ะาสมมวาเวลาเราขับรถเราก็รู้ว่าเราขับรถแต่ว่าเหมือนแว่ามีผิอันนึงหรือว่ามีใครคนหนึ่งก็บอกว่าเรากาลังขับรถอยู่อย่างเงี้ยถ้าถูกนะ ให้เรามีความรู้สึกเหมือ น, นเห็นคนคนเนี้ขับรถอยู่มีคนนึงเป็นคนดูอยู่นะอย่างนี้ใช้ได้นี่ขับไปขับไปถูกเขาปาดหน้าไอคนนี้โมโหแล้วอีกคนหนึ่งก็ยังเป็นคนดูอยู่เห็นีอคนหนึ่ง ม, มันโมโหอย่างเนี้ยพอไหไมไหวค่แล้วอีกคนนึงที่คือเขาจะคอยบอกกันว่าเรากำลังโกรธแล้วนะเรากำลังมากนะเออไม่แล้ให้มันมีสองคนนะ คนหนึ่งเล่นไปคนหนึ่งแสดงไปคนหนึ่งดู นั่นแหละให้รู้ทันลงไว่าจิตขนาดนี้กำลังฟุ้งซ่านอยูนะ่ที่มันบอกคิดมากหมายถึงว่าฟุ้งซ่านอยู่ให้เรารู้เลยว่าตอนนี้จิตกำลังฟุ้งซ่านนะงั้นะเรารู้ลงไปขเขาคิดไ ป, ดไปแต่ทันทีที่เรารู้สึกนะเรารู้ทันว่าเขาฟุ้งซ่านนะเขาจะเลิกเลยนะหรือทันทีที่เรารู้ว่าจิตมันโกรธมันจะเลิกโกรธเลยถ้ารู้ถูกนะ หรือใจเราลอยไปทันทีที่เรารู้ว่าใจเราลอยไปมันจะรู้สึกตัวเลยจะไม่กลับนะไม่ใช่ว่าใจลอยไปนู่นแล้วไปดึงคืนมานะถ้าไปเอาคืนมาจะแน่นแน่นเราไม่เอาคืนะ่ะเวลาใจมันหนีไปเที่ยวนะแค่รู้ว่าตอนนี้มันหนีไปแล้วะขนาดจิตที่รู้ว่ามันหนีนะ่ะมันกลับมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตรงที่ไปพยายามจะดึงคืนมาอันนี้ทําผิดอีกแล้วอาจารย์สุรวัต์เป็นไงบ้างอาจารย์สุรวัตร อ้าวมันเกิดอะไรขึ้นมันมันอ่อนไปนิดหนึ่งกระจาย้ะจิตอาจารย์สุรวัตรทําในรูปแบบไม่ไม่ได้ทําเลยนะี่ไหวพสส้พระสวดมนต์เลยนะทําไว้พรา ส, สวดมนต์หน่อก็ยังดีแต่ว่ายืนเดินนั่งนอนนะอาจารย์สุรวัตรยืนเดินนั่งนอนเรารู้รูปยืนเดินนั่งนอนไปด้วยก็ได้ ดูจิตล้วนๆบางทีกำลังตกไปบางช่วงจะเบลอๆงั้นถ้าเราเอารูปมาช่วยรูปมันหยาบหน่อยช่วยแต่อยู่ที่จริตนิสัยนั้นอาจารย์สุรัต์ต้องไปสังเกตเอาว่าไปรู้รูปแล้วดีขึ้นหรือมแย่ลง <c oughs> ออาแต่เวะลา <c oughs> อะไรตกละ่ะ <c oughs> จิตมันตกไปไหนจิตมันไม่มีตกจิตมีแต่เกิดกับดับ แังนะั้นยงจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านเรารู้ว่ามันฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตตกนะจิตจิตไม่มีตอกอะ่ะจิตก็ไม่มีขึ้นจิตอยู่ตรงไหนเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นเลยะถ้าเราคิดว่าจิตมันมีดวงเดียวจิตมีดวงเดียวแล้วก็มันมีขึ้นมีตกเลยนะฮะค่อยๆดูไปเราจะเห็นเลยจิตอันหนึ่งเกิดขึ้นมาหนึ่งก็ดับไปเกิดดับเกิดดับเช่นบางช่วงจิตที่เป็นกุศลเกิดบ่อย บางช่วงจิตอภูษณ์เกิดบ่อยอะไรเงี้ยจิตมันก็เกิดดับเป็นขณนะขณะขณะไปไม่มีตกนะเวลาใครรู้สึกว่าจิตตกนะหลวงพ่อแนะนำมีวิธีที่ง่ายๆตรงที่รู้สึกว่าจิตตกเนี่ยให้รู้ทันลงไปเลยนะให้รู้ทันความรู้สึกของเราที่มันไม่ชอบอะ่ะมันอยากให้จิตดี ถ้าทันทีที่รู้ทันว่าจิตใจเราอยากให้จิตดีนะมันจะไม่ตกแล้วถ้าเรารู้ทันซะละเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะภาวนาดีมาที่นี่หลวงพ่อก็ชมนะไปหัวหินครูบาอาจารย์เท่านั้นก็ชมอะไรเงี้ยก็เลยคล้ายๆนักมวยเป็นแชมป์เลยพยายามรักษาจิตมากเลยเลยเสียเลยพาจิตเสื่อมลงไปรู้สึกฟุ้งซ่านดูอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกสติก็ไม่ค่อยจะเกิดอนะไรเงี้ย จิตใจกระสับกะสายก็ยิ่งดิ้นใหญ่เลยหาทางจะทำจิตให้ดีให้ได้ยิ่งดิ้นดิ้นดิ้นดินไปยิ่งดิ้นนะยิ่งดิ้นยิ่งเสื่อมแต่ถ้าใจเป็นกลางกับมันจิตเสื่อมแล้วจิตตกแล้วเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันถ้าใจถึงอย่างนี้นะมันจะดีดทางขึ้นมาใหม่เลยงั้นถ้าจิตเสื่อมไปอย่าตกใจเพาจิตนั่นแหละของเสื่อมจิตไม่ใช่ของถาวร อ้าวโยมทางนี้มาจากไหนกัน<ม>อะไรนะอ๋ออ้อมใหญ่ฝึกมาจากไหนืม ม, มากันหลายคนไห ม, มเคยหัดไหมผูม้หญิงอ่ะฝึกมาแบบไหนล่ะ<ม> <c oughs> หลายแบบเนาะหลายแบบก็ไม่เป็นไรนะ ใจเย็นๆความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากอะไรหรอกการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะวัตถุประสงค์สุ ด, ดท้ายเลยเพื่อให้เราค้นทุกข์มีวิธีปฏิบัติเนี่ยเป้าหมายแรกเลยะอยากเก็บพ้นทุกข์เป็นก็คือเป็นท้ารหันนั่นเองเป้าหมายแรกเราจะต้องเป็นพระโสดาบันก่อนแล้วอยากเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณสมบัติที่สามารถละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรา ถ้าสดาบัละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้ส่วนพระละหันน่ะคืนกายคืนใจให้กับโลกได้มัมีอยู่สองสเต็ปงั้นขั้นแรกเราจะต้องให้เห็นก่อนว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราวิธีจะให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่การคิดเอาไม่ใช่การนั่งเพ่งเพ่งเอาแต่เป็นการตามรู้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกเหมือนกับเห็นคนอื่นเคลื่อนไหว เห็นคนอื่นโลภเห็นคนอื่นโกรธเห็นคนอื่ น, นหลงะใจเราจะเป็นกลางกับทุกๆสภาวะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกงะ้นหน้าที่ของเราเนี่ยคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้นี่เราจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้เนี่ยถ้าใจไม่ลอยไปปกติเราจะใจลอยทั้งวันในโลกนี้หาคนที่มีสติแท้จริงนี่นะหายากที่สุดเลยสติที่พวกเรามีนี่เป็นสติอย่างโลกโลก ไม่ใช่ตัวสัมมาสติแท้ๆสติโลกโลกเป็นสติที่ใช้เรียนหนังสือนะใช้ทํางานใช้ขับรถอะไรเงี้ยอยู่กับโลกโลกตัวสัมมาสติเนี่ยเป็นความระลึกได้ระลึกได้คือรู้ทันระลึกได้ถึงกายที่กําลังปา ร, รากฏระลึกได้ถึงจิตจิตใจที่กําลังปรากฏเป็นคอยรู้กายคอยรู้ใจคอยรู้กายคอยรู้ใจไเรี่ย เมืราเราได้บ่อยๆเนืองๆเนี่ยต่อไปสัญญามันเกิดมันก็เห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายเป็นยังไงอย่างกายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกกายเป็นทุกข์ร่างกายเนี่ยขันห้าเป็นทุกข์ไม่มีใครเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่มีใครเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์ได้หรอกเราจะเห็นได้แค่ว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ การที่เห็นว่าร่างกายนี้จิตใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ทุกบ้างสุขบ้างเนะี่ยยังเห็นไม่ตรงคำสอนพระพุทธเจ้าทีเดียวพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์นี้ทําไงเราจะเห็นตรงคําสอนพระพุทธเจ้าได้คอยรู้สึกตัวไว้เราจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนนะคอยรู้สึกไว้อย่างเรานั่งอยู่ตอนนี้นั่งให้สบายไปเดี๋ยวเดียวเมื่อยนะแลความเมื่อยเบียดเบียนความทุกข์มันมาถึงลแล้วเราก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถหนีความเมื่อยไป เปลี่ยนไปแล้วก็สบายเดี๋ยวเดียวนะความเมื่อยตามมาอีกแล้วต้องขยับอีกงั้นตลอดวันเนี่ยเราขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถตลอดวันเลยเพื่อหนีความทุกข์นั่นเองคนทั่วๆไปหนีแบบอัตโนมัติความเมื่อยปุ๊บขยับเมื่อยปุ๊บขยับเลยดูไม่ทันดูไม่ออกว่ากายนี้มีความทุ่งบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากระทั่งนอนหลับเนี่ยต้องนอนพลิกไปพลิกมาเพราะร่างกายนี้มันถูกความทุ่งบีบคั้น แต่ถ้าเรามีสตินะรู้กายเนึองๆเห็นโอ้กายนี้ทุกข์จริงๆนะไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยวิ่งหนีความทุกข์ไปนะเหมือนวิ่งวิ่งหนีหมาล่าเนื้ออะไรสักตัววิ่งไปได้ห่างออกไปหน่อยหนึ่งพอเราหมดแรงเราเหนื่อยเราหยุดเนี่ยมันก็ตามทันอีกแล้วมันการอีกก็วิ่งหนีมันอีกงั้นแต่ละคนจะวิ่งหนีตลอดเวลาแล้วก็หนีไม่พ้นเลยถึงจุดสุดท้ายหมดเรี่ยวแรงหนีไม่ไหวนะนอนแบบๆความทุกข์ตามเบียดเบียนจนตายไปเลย เนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายหนึ่งๆเห็นเลยกายนี้มีแต่ทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองถ้าหันมาดูจิตดูใจตัวเองบ้างจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดวันบางวันผ่องใสบางวันเศร้าหมองบางเวลาไม่เฉพาะวันแต่และเวลาก็ไม่เหมือนกันเช้าวความรู้สึกก็สดใสใสายๆไปท ะ, ลละเลาะกับข้าโมโห กลางวันไปกินข้าวกับเพื่อนเรื่อนเริงใจอะไรเงี้ยนะความรู้สึกเราแต่ละเวลาไม่เหมือนกันดูให้ละเอียดเข้าไปอีกความรู้สึกของเราแต่ละขณะไม่เหมือนกันอย่างขณะที่ตามองเห็นความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งนะเห็นเห็นเพื่อนเดินมาความรู้สึกดีใจเกิดขึ้นเห็นมาบ้าวิ่งมาความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นนะใจเราไม่คงที่นะเปลี่ยนไปตามการกระทบทางตะวัทั้งห เฝ้ารู้ไปเรื่อยๆในที่สุดเรารู้เลยว่าการกระทบนี้เราก็เลือกไม่ได้เราห้ามไม่ได้พอกระทบแล้วใจมันก็กระเทือนหวั่นไหวขึ้นมาเกิดกุศลอะกุศลเกิดสุขเกิดท <ST US IV> <aconte reinforced> ุกข์เกิดยินดียินร้ายขึ้นมาเราก็เลือกไม่ได้อีกนะว่าจะให้มันสุขอย่างเดียวห้ามทุกข์อะไรเงี้ยห้ามไม่ได้จะให้ดีอย่างเดียวนะห้ามชั่วนห้ามไม่ได้เฝ้ารู้ไปจนเห็นความจริงนะจิตใจนี่เป็นของที่เราบังคับไม่ได้เลยใครเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาจิตไม่ใช่เรา สักกายะทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจขันห้าเป็นเราจะขาดตรงนั้นเลยลำพังเห็นว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยสักกายะทิฏฐิไม่ขาดหลวเจ้าสอนบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ทุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นเลยว่าจิตไม่ใช่เราเพราะฉนั้นถ้าผู้ใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้เนี่ยนะสักกายทิฏฐิจะขาดทันทีเลยแต่ลำพังเห็นว่ากายไม่ใช่เรานี่ง่ายนะคนศาสนาอื่นก็เห็น พราเขาเห็นนะคนนั่นก็ตายคนนี้ก็ตายตัวเราเองหน้าตาเราเดี๋ยวนี้กับหน้าตาของเราตอนเด็กๆ ก, ก็ไม่เหมือนกันมันเห็นนะแล้วมันรู้ด้วยว่าวันหนึ่งก็ตายดนการเห็นว่ากายนะไม่ใช่ตัวเรานี่ง่ายพระเจ้าบอกกระทั่งคนศาสนาอื่นก็รู้ได้แต่จิตเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่เรานี้ทํายากที่สุดเหตุผลที่ยากที่สุดก็เพราะว่ามันเร็วที่สุดพระเจ้าท่านบอกว่าจิตอาศัยอยู่ในกายนี้กายเป็นครูหาให้จิตนี้อาศัยอยู่ ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนคือเกิดดับรวดเร็วแต่เราไม่เคยเห็นว่ามันเกิดดับเราเห็นว่าเรามีจิตอยู่ดวงเดียวเที่ยงจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆก็ไอดวงเดิมนั่นแหละจิตของเราวันนี้กับจิตเมื่อวานก็ดวงเดิมจิตของเราวันนี้กับจิตตอนเราใกล้ๆจะตายหรือจิตชาติหน้าก็ยังดวงเดิมอีกเนี่ยความเห็นผิดนะมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็คิดว่าจิตเที่ยงจิตเป็นอัตตาตัวตนแต่ถ้าใครมาหัดเจริญสติมารู้เท่าทันจิตตัวเอง จะเห็นเลยจิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับทียิบตลอดเวลาเลยเศ้ารู้ลงไปเลยนะเบื้องแรกขัดอาศัยรู้ความรู้สึกไปก่อนเพราะจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นของที่เกิดดับร่วมกันเราจะเห็นเลยว่าบางทีจิตนี้ก็เป็นจิตโมโหจิตโกรธจิตอันนี้เป็นจิตโลภอันนี้จิตสบายใจนี่จิตไม่สบายใจเนี่ยจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนะเกิดดับหรือจะดูจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกก็ได้นะ ประเดี๋ยวยังนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวก็ฟังหลวงพ่อฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสังเกตออกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปนะตรงที่ไปฟังนะี่เรียกว่าจิตมันเกิดทางหูนะตรงที่ไปคิดเนี่ยจิตมันเกิดทางใจนะมันทํางานสลับกันทียิบตลอดเวลาเลยนะเนี่ยถ้าใครเห็นตรงนี้นะก็จะเข้าใจอย่างรวดเร็วจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเกิดทางตาเดี๋ยวเกิดทางหูเดี๋ยวเกิดทางใจ อย่าไปมองจิตเหมือนแมงมุมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจิตนี้วิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปทานะงหูแล้ววิ่งกลับมาวิ่งไปในความคิดแล้ววิ่งกลับมานี่ยังเข้าใจผิดอยู่นะถ้าเฝ้ารู้ความเกิดดับของจิตจริงๆจะเห็นมันเกิดทางตาก็ดับทางตา<ย>เกิดทางหูแล้วก็ดับทางหูเกิดในความคิดแล้วก็ดับไปทางความคิดนั่นเองนี่ใจลอยแล้วรู้ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้จิตใจลอยตอนนี้จิตรู้สึกตัวเห็นไหมคนละดวงกันะหัดรู้ไปอย่างนี้ หนีไปคิดแล้วทราบไหมให้คอยอรู้นะคอยรู้ไปถ้าเราเห็นจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปไม่ใช่ดวงเดียวถาวรความเห็นผิดถูกละไปใช่ใช่ต้องเห็นเองอย่างตอนนี้จิตสงสัยทราบไหมจิตสงสัยเกิดขึ้นจิตรู้ก็ดับนี่ พอจิตรู้เกิดขึ้นรู้ว่าเมื่อกี้สงสัยนะจิตที่สงสัยก็ดับหันง่ายๆนะอย่างจิตเหลือจิตเหลือนี่อย่างเราใจลอยไปเราใจลอยใจลอยนี่จิตเราเฟือไปหรือเราแอบไปคิดคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรารู้เรื่องที่เราคิดในขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองม Andrea. ไม่ได้เมื่อไหร่ลืมกายลืมใจตัวเองนะเมื่อนั้นไม่ได้ทํำวิปัสนาแนละ้นะวิปัสนาคือการกา ร, รู้กายรู้ใจตัวเอง ร, รู้จนเห็นจริงละวางได้นะก็ถึงนิพพาน ไม่เป็นไรแรกๆมันดีเจือความคิดต่อไปจะเห็นเลยจิต ด, ดวงหนึ่งเกิดขึ้นมานะดับไปนะมีช่องว่างเล็กนิดหนึ่งมาขั้นนิดหนึ่งอีกดวงนึงเกิดขึ้นดับไปอีกจะเห็นว่ามันคนละดวงคนละดวงกันอ่านั้น่นแหละนั่นแหละจุดเล็กๆนั่นแหละนั่นแหละคือจุดที่รู้ละ่ะถัดจากนั้นจะเริ่มคิดครั้งใหม่ะนะ งั้นอย่างอย่างสูงตระใจเราฟุ้งซ่านไปหรือใจเราเกำลังใจลอยไปเนี่ยขณะที่รู้ว่าใจลอยนะขณะนั้นทุกอย่างจะนิ่งว่างไปหมดเลยนะความฟุ้งซ่านความใจลอยหรือกิเลสตัณหาทั้งหลายจะมีขึ้นมาไม่ได้เลยในจุดเนี้ยแต่ว่าจุดนี้เล็กนิดเดียวจุดนี้เล็กนิดเดียวก็คือสภาวะของตัวจิตที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมานั่นนี่แต่ว่ามันทรงตัวอยู่ได้ด้วยคณิกะสมาธิเมื่มันอยู่ชัว่วขณะแวบบเดียวก็ดับนะดับไปอีก แลยกตัว อ, อ, อย่างอย่างสูงว่าเราใจลอยใจลอยใจลอยมาชั่วโมงแล้วเกิดระลึกขึ้นได้รู้สึกตัวแวบขึ้นมาว่าใจลอยตรงนี้ใจจะโล่งหมดเลยนะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะสงบสะอาดสว่างนะอยู่ในพริบตา น, นั่นเองจิตในจิตดวงนั้นนะจะเบามีลักุตาอ่อนโยนมีมุตุตาจิตดวงนั้นควรแก่การงานเพราะไม่ถูกกิเลสนิวร อ, อบงำจิตดวงนั้นคล่องแคล่วว่องไวไม่แข็งไม่หนักไม่นไมแน่นไม่ซึมไม่ทื่อ จิตดวงนั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นกลางรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยจิตดวงนี้เองที่เกิดขึ้นมาแว บ, บหนึ่งเนี่ยเนี่ยถ้าจิตดวงนี้เกิดแว๊บๆๆ บ, บ, บ, บ, บ่อยๆนาะขีขึ้นมาบ่อยๆมันจะมีความรู้สึกในความรู้สึกนะเหมือนกับว่าเรารู้ตัวในทั้งวันมันจะรู้สึกเหมือนเรารู้ตัวต่อเนื่องทั้งๆที่คําว่าต่อเนื่องไม่มีจริงหรอกคําว่าต่อเนื่องเป็นแค่ภาพหลวงตามันเหมือนไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดดับวินาทีละห้สิบกว่าครั้ง แต่มันเกิดดับต่อกันเร็วเราก็รู้สึกว่ามันสว่างคงที่แล้นะจิตนี่อาจจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับทียิบเลยนะถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูนะง่ายมากอย่าคิกว่ายากเด็กก็รู้จักนะเด็กก็ดูเป็นอ๋อไม่ดีต้องต้องเกิดอารมณ์แรงๆถึงจะเห็นเช่นคุยๆแล้วเพื่อนมันขัดคอมโมโหโมโหเราก็เห็นว่ามโมโหนะ งั้นหัดใหม่ๆท่านสอนบอกอยากคลุกคลีคลุกคลีแล้วก็คือต้องพูดเยอะพูดเยอะดูยากสอนกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยไม่คลุกคลีรู้สึกตัวบ่อยๆนั่นคุณเสื้อขาวอ่ะใจลอยไปแล้วอย่างนั้นไม่เอานะดูออกไหมมันหลงนะจิตใจนั้นเนียกจิตหลงหลงไปคิดอ้าวคุณนนอน ที่ใส่แว่นตาเนี่ยเมื่อกี้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้กาลังทำอะไรโยมอะฮะอ่าเติมคาว่าหลงหน่อยเมื่อกี้กำลังหลงคิดอยู่โยมนึกออกไหมตอนที่โยมคิดนะโยมรู้เรื่องที่คิดใช่ไหมแต่โยมลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกไหมเมื่อไรเราลืมกายลืมใจตัวเองเนียเรียกว่าเราขาดสัมมาสติสัมาสติเนี่ยสำคัญมาก วันนี้สลวงพ่อต้องตะโกนแข่งกระเด็กชักเหนื่อยเนียนที่ไหนมานี่โดนนะ <c oughs> ดีแล้ว <c oughs> เราอย่าว่าทาพธรรมะว่ามันคืออะไรที่ลึกลับธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นของดีของวิเศษ ธรรมะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่ใกล้ไกลต้องทำไปอีกหลายหลายชาติถึงจะเจอจริงๆธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ตึกให้ดูหนะ่อยมันตะโกนแข็งตุ้มไม่ไหวเหนื่อยเอาไปเล่นบ้านโน้ยก็ได้บ้านโน้นมีเด็กชอบเล่นเดี๋ยวก่อนนะเหนื่อยตะโกนแข่งกับเด็กเนี่ย สู้เด็กไม่ไหวเออสียงเด็กยั ง, ยงนกกระยางนะช่วงหลังๆเยอะวันนี้ค่อยเงียบหน่อยธรรมะนะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ในคัมภีร์สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มีสองอันอันหนึ่งเรียกว่ารูปปรัรรมคือกายนี้ รูปธรรมชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นธรรมะอีกอันหนึ่งคือนามธรรมคือส่วนของจิตใจเรานี้เราอยากได้ธรรมะของจริงเราต้องคอยรู้กายคอยรู้ใจกายกับใจของเรานี้เท่านั้นแหละจะเป็นครูสอนธรรมะเราได้คนอื่นสอนธรรมะเราไม่ได้แต่ทั้งหลวงพ่อก็สอนพวกเราไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นแค่คนบอกทางท่านบอกวิธีให้ได้ แต่ท่านเอาธรรมะมาเข้าสู่จิตสู่ใจของเราไม่ได้เราต้องดูเอาเองทําตามที่ท่านบอกเรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจให้เห็นความจริงของกายของใจในสุดความจริงนั่นแหละคือธรรมะเข้าใจความจริงของกายกายนี่ทุกรวนรุนเข้าใจความจริงของจิตใจใจิตใจไม่เที่ยงเลยหมุนเวียนเ ป, นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจความจริงนี้ได้นะใจก็เข้าถึงธรรมะ ธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับนะไม่ใช่เรื่องอะไรประหลาดประลาดธรรมะเนี่ยไม่ต้องหลับหูหลับตาลืมตาขึ้นมาก็มีธรรมะนะหลับตาก็มีธรรมะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีธรรมะก็คือทุกๆอย่างทุกๆขนาดนั้นเรามีกายกับใจของเราแน่นิ่นงถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจตัวเองก็คือลืมธรรมะไปแล้วไปอยู่กับอาธรรมแทนนี่ทําไงเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่นะคือคำว่าวิปัสนาละ่ะเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเราใจลอยไปใจลอยเช่นเราเผลอไปดูเราเผลอไปฟังเราเผลอไปคิดในขณะที่เราเผลอไปดูเช่นเราเห็นคนเดินมาเราไปมองเขาสมมตินางงามจักรวาลมาเราไปดูเขาตามดูเขาในขณะที่เราเห็นเขาเนี่ยเราจะลืมตัวเราเองหลวงู ด, ดูลย์าเรียกว่าส่งจิตออกนอกเราจะลืมตัวเราเอง เราได้ยินข้างบ้านคุยกันขัวเมียเขาซุบซิบซุบ ซ, บซิบอยู่ในบ้านเขาเราอยากรู้เรื่องมากเลยเขาดินทาเราบรูเ้เรานะล้วก็ใช้ทิพย์ผสมแอบฟังนะตั้งใจฟังให้คนในบ้านเราเงียบฟังขณะที่เราตั้งใจฟังเขาเนี่ยเราจะลืมตัวเราเองนะหรือในขณะที่เรานั่งคนเดียวเราก็นั่งคิดไปเรื่อยๆบางครั้งสามชั่วโมงคิดอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยอันนี้หลงสุดขีดเลย บางครั้งคิดรู้เรื่องที่คิดขนาดคิดธรรมะนะคิดธรรมะอย่างงน้นอย่างนี้คิดถึงครูบาอาจารย์สอนเราอย่างนั้นอย่างนี้ในขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องที่คิดนะ่ะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนั้นความคิดนะ่ะปิดบังความจริงเอาไว้หรือสมมุติบรรัญญัติปิดบังประมัดนั้นใจเราจะหลงอยู่ทั้งวันหลงทั้งวันในโลกมีแต่คนหลงในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอก พวกเราส่วนใหญ่ในที่นี้ก็ยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาแต่เราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราตื่นขึ้นมาแล้ววันใดที่ตื่นขึ้นมาจริงๆแล้จะใจหายเลยมาที่ผ่านมาตลอดชีวิตเราหลับมาตลอดชีวิตเลยคือเราตื่นมาแต่ตัวแต่ใจของเราเนี่ยไปวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับไปแล้วเราก็ฝันต่อไปอีกเราวนเวียนอยู่ในความคิดตลอดเวลาการที่เราไปวนเวียนอยู่ในโลกของความคิด เราก็าออกห่างจากโลกของความจริงความคิดเกยบความจริงมันตรงข้ามกันแต่ถ้าเมื่อไหรเรารู้ทันว่าจิตเราแอบไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะเรารู้ว่าจิตแอบไปคิดทันทีที่เรารู้ว่าจิตแอบไปคิดจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีเราจะรู้สึกตื่นขึ้นมาในฉับพลันใครที่ตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้ตัวเลยว่าตื่นขึ้นมาล้วตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ตื่น อย่างโยมแม่ปออย่างเงี้ยค่อยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกบ้างไหมรู้สึกไหมมันตื่นมันตื่นจริงๆคําคําว่าผู้รู้ผู้ตื่นมันตื่นจริงๆส่วนของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลับผู้ฝันว่าใจของเราคิดทั้งวันเลยรู้แต่เรื่องที่คิดลืมกายลืมใจไม่ตื่นมีครูบาอาจารย์อีกองเป็นครูบาอาจารย์ชั้นยอดเหมือนกันคือหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อพเทเคยสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะคนละอันกันเรื่องที่จิตคิดเนี่ยเช่นเราคิดถึงเพื่อนเราเนี่ ย, เ พ, เ, ยงงเพื่อนเราดีอย่างนั้นเพื่อนเราดีอย่างนี้เรื่องราวเหล่าเนี้ยหาสาระอะไรไม่ได้เป็นสมมุติบัญญัติแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตของเรากําลังแอบไปคิด คิดเรื่องอะไรก็ได้รู้แต่ว่ามันแอ บ, บปิดคิดเนะี่ยจิตจะหยุดคิดในฉับพลันจิตจะตื่นพลงขึ้นมาในฉับพลันเราจะลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความตื่นเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยกายนี้ใจนี้จะไม่ใช่ตัวเราในฉับพลันเพราะความจริงแล้วตัวเราไม่มีไม่เคยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความสาคัญคิดเกิดจากความคิดนั่นเองทำให้เราคิดเอาว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราจริงๆ ทั้งๆ ท, ที่จริงๆไม่มีนะมันคือความเห็นผิดความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเนี่ยภาษายแขกเรียกว่าสักกยายทิฏฐิพระโสดาบันละสักกายะทิฏฐิได้ไม่ใช่ละอะไรหรอกละสักกายะทิฏฐิละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้ความเป็นเราของกายของใจเนี่ยเกิดจากความคิดล้วนๆเลยถ้าเมื่อไหรเราหลุดออกจากความคิดรู้ลงที่กายกายจะแสดงทันทีว่าเขาไม่ใช่ตัวเราเลยเขาเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่จิตมาใสายอยู่ ถ้าพูดให้ตรงกับปริยัติที่บอกมันเป็นรูปอันหนึ่งเป็นรูปเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุถ้าพูดแบบภาษาพวกเราสมัยใหม่ก็เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์อะไรหรอกเป็นวัตถุแต่มันเป็นตัวเราขึ้นมาก็เพราะความคิดล้วนๆเลยเข้ารู้ลงที่จิตที่ใจถ้าไม่ไม่หลงอยู่ในความคิดจะเห็นเลยจิตใจก็เป็นนามธรรมเป็นนามธาตุเป็นวิญญาณธาตุ เป็นธาตุรู้จิตใจทำหน้าที่รู้ของเขาไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราหรอกคนที่เห็นว่าจิตเป็นเรานะไม่ได้มีสักยัติทิฏฐิอยู่เพราะงั้นเราจะต้องตื่นออกมาให้ได้เราจะต้องหอลุดออกจากโลกของความคิดความฝันให้ได้ต้องรู้สึกตัวให้ได้เห็นไหมภาษามีต่างๆกันนะครูบาอาจารย์บางท่านบอกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวคือไม่เป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันบางท่านบอกให้ตื่นขึ้นมา เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนก็คือไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแต่ว่าตื่นขึ้นมาหลวงปูด่ดูลบอกว่าอย่าส่งกี่ด อ, อกนอกผู้ส่งกี่ด อ, อกนอกคือผู้ไหลไปในโลกของความคิดนั่นเองเราก็จะตื่นขึ้นมาหลวงปู่เทพบอกไม่ส่งนอกไม่ส่งในนี่หลายภาษานะรวมความน่าเหมือนกันหมดแหละก็คือใจที่มันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวอยู่อย่ารู้สึกตัว ใจที่มันหลุดจากโลกของความคิดมันก็จะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราการเห็นว่ากายไม่ใช่เรานี้ง่ายที่สุดเลยทันทีที่รู้สึกตัวก็จะเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราจะเห็นทันทีนะไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดนะเพราะจิตเป็นของประนีตเราล้วก็เกิดดับรวดเร็วมากเราไม่ดูไม่ทันหรอกนะเราต้องค่อยๆหัดรู้หัดหัดสังเกตไป เริ่มต้นสังเกตหยาบหยาก่อนจิตใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันบางวันเศร้าหมองบางวันผ่องใสอะนี่ยแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันนะหัดดูเป็นวันวันได้แล้วต่อไปหัดดูเป็นเวลารู้สึกไหมตอนที่เราตื่นนอนวันนี้กับตอนนี้ความรู้สึกไม่เหมือนกันพวกเรานึกออกไหมนะญาติโยมทั้งหลายเพื่อนนักปฏิบัติทั้งหลายรู้สึกไหมเมื่อตอนที่เราตื่นนอนวันนี้นะกับความรู้สึกของเราเดี๋ยวเนี้ยความรู้สึกไม่เหมือนกันหรอก ตอนที่นั่งรถมาวัดนะกับตอนนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนนั้นจะวักแวกๆักแวกไปเรื่อยตอนนี้ใจของเราตั้งมั่นในการฟังธรรมใจไม่เหมือนกันเนี่ยจิตของเราไม่เหมือนกันเลยแต่ละขณะแต่ละขณะหัดรู้ไปแต่ละเวลาไม่เหมือนกันแต่ไปดูได้ละเอียดขึ้นสติปัญญา ว, ว่องวัยขึ้นจะเห็นว่าแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันนะขณะที่ตาเรามองเห็นความรู้สึกก็ไปอย่างหนึ่งขณะที่หูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็ไปอย่าง ยกตัวอย่างอย่างคนแก่ๆอย่างหลวงพ่อเนี่ยฟังเพลงรุ่นโบราณแนละ้วรู้สึกเพลาะนะสุนทราพรอะไรเงี้ยเด็กสมัยใหม่ฟังแล้วบอกไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้ยืดยานนะหลวงพ่อได้ยินเสียงเพลงโบราณโบราณแม้มีความสุขไหมจิตมีความสุขหูได้ยินเสียงจิตมีความสุขเนี่ยหน้าที่ของเราเรารู้ทันว่าความสุขเกิดขึ้นละได้ยินเสียงเพลงสมัยใหม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยเด็กร้องอะไรก็รู้ง้องแงงง้องแงงฟังไม่ออกสักคาฟังแล้วลาคาญเนี่ย ลำคาญนะ่ะเสียงกระทบหูใจลำคาญรู้ว่าลำคาญนี่ปฏิบัติง่ายๆอย่างนี้เราสามารถปฏิบัติได้ทุกคนนะในชีวิตจริงๆของเราถ้าใครฟังซีดีหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อพูดเล่าเรื่อยๆสมัยหลวงพ่อปฏิบัติเนะี่ยหลวงพ่อเป็นข้าราชการนะทํางานอาทิตย์ละห้าวันตื่นนอนวันจันทร์เนี่ยพอนึกได้ว่าวันจันทร์ใช่ไหมใจกระทบความคิดนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์แลใจแห้งแรงเลยพวกเรานักเรียนก็เหมือนกันใช่ไหมตื่นมาวันจันทร์สดชื่นไหม สดชื่นอะแต่ถ้าตื่นวันศุกร์เนี่ยสดชื่นล้ใช่ไหมก็ทํางานห้าวันตื่นมาวันศุกร์นะวันนี้ทั้งวันเนี่ยต้องทํางานเยอะแยะเลยแต่ตื่นเช้าก็รู้สึกสดชื่นแล้วเห็นไหมแค่ใจกระทบความคิดนะความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันรู้ทันที่ความรู้สึกของเรานะเสร็จแล้วเอาไปอาบน้ำํำนะตามองเห็นตุ่มน้ําสมมติว่าหน้าหนาวหน้าหนาวพอตาเราเห็นตุ่มน้นะําเำใจมันจะสยองนะใช่ไหม ใจสยองรู้ว่าสยองนะไม่ใช่ตามองเห็นตุ่มน้าแล้วรู้ว่าตุ่มน้านะออหลวงพ่อมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนี่นินทาบันพบุรุษนะเคยมาเยี่ยมหลวงพ่อที่นี่มันนั่งฟังฟังธรรมะเสร็จแล้วก็บอกอายีเข้าใจแล้วการปฏิบัติง่ายมากเลยอายีเห็นพัดลมอายีรู้ว่าเป็นพัดลม <c oughs> บอโอ้ยอายีเอ้ยคนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็รู้ ถาไอา้ีเห็นพัดลมแล้วรู้สึกอยากได้กลับบ้านรู้ว่าอยากได้ก็ อ, อย่างนี้ค่อยเป็นนักปฏิบัตินะเพราะงั้นเมื่อตาเห็นรูปเยความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจรู้ความรู้สึกของเราไม่ใช่รู้ว่าไปเห็นอะไรเข้านะหูได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงหมาเห่ากลางคืนเราจะนอนห่าไม่เลิกนะไม่ใช่รู้ว่าหมาเห่านะรู้ว่าหมาเห่านะใครๆก็รู้นะคนไม่ปฏิบัติก็รู้รู้ไหมหมาเห่ารู้จักไหม เห็ไม่เด็กไม่ได้ปฏิบัติจะรู้นะใครบอกไม่รู้อายเขานะหลวงพ่อชอบมากเลยว่ามีเด็กๆมานั่งเนี่ยใครบอกดูจิตไม่เป็นหลวงพ่อจะถามเด็ ก, ดกดดนั่นเด็กมันดูเป็นเด็กโกรธก็เป็นเคยอิจฉาน้องบ้างไหมเห็นไหมอิจฉารู้จักไหมอิจฉาเด็กแค่นี้ก็รู้จักนะกลัวเคยกลัวอะไรบ้างกลั <S <S วจิ้งจกยเอเห็นไห ม, ไหมรู้จักกลัวใช่ไหมความรู้สึกกลัวเป็นยังไงรู้จักใช่ไหมเนียเห็นไหมเด็กก็เป็นนะ ใหนะ้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้น่ะคอยรู้ไปรู้ลงไปทีละขณะขณะความรู้สึกของเราเปลี่ยนตามการกระทบนะมีผู้ชายคนหนึ่งมานนั่งฟังนะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาคลานมาบอกหลวงพ่อบอกผมปฏิบัติเป็นละถ้าผมออกจากศาลานี้ได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมแบบเดียวกับอายีเลยเห็นพัดลมอนะดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมใครมันก็รู้นะแต่ถ้าดอกไม้หอมแล้วใจเราชอบเนี่ย รู้ว่าใจเราชอบใจเราอยากจะเด็ดเนี่ยรู้ว่าอยากเด็ดนะใจเราสงสัยว่ามันดอกอะไรนะรู้ว่าสงสัยนะสรุปง่ายๆเลยการปฏิบัติเนี่ยนะดูก่อนทิคสูทั้งหลายเมื่อตามองเห็นรูปเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายหรือความรู้สึกอะไรเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตให้เธอมีสติรู้ทันนะถ้าไม่มีสติรู้ทันนะกิเลสจะครอบงำจิตของเธอเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายก็ เ, เกิดขึ้นที่จิต เมื่อจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะกายสัมผัสหรือเมื่อใจคิดนึกเนี่ยความยินดียินร้ายหรือกูศนอกูส น, สนทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่จิตให้เธอมีสติรู้ทันกันหน้าที่ของเราท่านไม่ได้สอนอย่างอื่นนะท่านสอนให้รู้ทันรู้ทันไม่ใช่แปลว่าให้ดักเอาไว้ก่อนยกตัวอย่างพระเจ้าสอนบอกว่าพุทธสูตทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะพวกเราต้องฟังให้ดีนะท่านบอกว่าเมื่อจิตมีราคะ ให้รู้ว่ามีราคะหมายความว่าราคานะนัณเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็รู้ทีหลังว่ามันมีราคะนักปฏิบัติชอบไปดักเอาไว้ก่อนพอคิดถึงการปฏิบัติก็ไปนั่งจ้องอยู่ที่จิตนั่งจ้องอยู่ที่ลมหายใจจ้องเท้าจ้องท้องจ้องมือจ้องมันหมดเลยไปรอดูว่าเมื่อไหร่อะไรจะเกิดขึ้นท่านไม่ได้สอนให้จ้องดูไม่ให้ดักดูท่านบอกให้ตามดูไม่งั้นเพื่อนมันชมเรา นะเราเห็นหน้าคนนี้เลยคนนี้ปากปีจอถาวรเจ็ดชั่วโคตรเห็นหน้ามันนะรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องมาว่าเราลนะเรานับปฏิบัติชั้นดีเรารีบจ้องจิตไว้ก่อนมันว่าเราจะได้ไม่โกรธเอ็นี่นะับปฏิบัติชั้นดีนด เ, นะเร า, ารเรียบ่้อปจิตไว้ก่อนีันว่าเราจะได้ไม่โกรตเอเนี่นู้ปวามจริชั้นัวเราว่าใจ้องจิตนี้ก่อนมัน่าเออีกขนาดไน้นะาไน่้กรธเอ็นขะ่นับปฏิ่งติั้นดีเราเปีจองิตไว้ี่อน ไอ้ตัวนี้ชักตื่นเต้นแล้วลุกลี้ลุกหลนขึ้นมาแล้วเตรียมต่อสู้รู้เลยว่าไอ้ น, นี่เสี่ยมสู้กับเขาลล้ะพอมันว่าเราปุ๊บไอ้ น, นี่โมโ ห, โหจริงๆอย่างที่คิดไว้โมโหขึ้นมารู้ว่าโมโหแล้วรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความรู้สึกทั้งหมดจะเป็นครูสอนธรรมะเราะใครก็เป็นครูสอนธรรมะเราไม่ได้นะรูปธรรมนามธรรมหรือสภาวธรรมทั้งรูปทั้งนามเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยส่วนมากจะเน้นเรื่องจิต ที่ในเรื่องจิตเพราะว่ามันเหมาะกับพวกปัญญาชนพวกคิดมากปัญญาชนนี่เป็นคําสุภาพคําตรงไปตรงมาคือพวกคิดมากพวกทิชชีจริตเรากลุ่ส่วนมากเป็นพวกคิดมากเหมาะที่จะดูจิตตัวเองเพราะงั้นเฝ้ารู้ลงไปเลยจิตใจนี่นายจะเป็นครูสอนธรรมะเราเช่นความสุขเกิดขึ้นในใจเราก็อยู่ไปเดี๋ยวเดียวความทุกข์มานะถ้าไม่เกลียดมันนะั้นมันจะดับไปทันทีเลยแต่ถ้าเกลียดมันมันไม่หายนะ อย่างความทุกข์เกิดขึ้นเราอยากให้มันหายเนี่ยเพราะว่าอะไรใจของเรากําลังมีโทสะเราเกลียดไห้ความทุกข์ตัวโน้อนอยู่นั้นจิตของเราเป็นอกุศลนะความทุกข์ไม่ดับเลยแต่ถ้ามีสติรู้ทนันความทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันใจเป็นกลางแล้วความทุกข์จะดับทันทีเลยนะความทุกข์ทางใจจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามีสติขึ้นมานะกิเลสเกิดอยู่ไม่ได้ถ้าเรามีสติขึ้นมาหนีไปคิดละือ ม, มาจากไหนสองคนเนี้ย คนนั่งเคยมาเนะี่ยเคยเห็นจําได้อยู่ <Okay. S 1> ไปฝึกมาจากไหนล่ะเนี่ยแล้วหลายๆอย่างเอาสติไว้นะถ้าเรามีสติเป็นนะเราเข้ากรรมฐ า, านวัดไหนก็ได้ น, ะ, นะเช่นเราไปเข้ากรรมฐ า, านอาจารย์สอนพุทโธเราก็พุทโธได้พุทโธพุทโธพุทโธไปใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นละเคยเป็นไหมพุทโธแล้วใจหนีไปที่อื่น ร, รู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วนี่ใช้ได้ พุโทโธพุธโทโธไปใจมีความสุขมีความสงบรู้ว่ามีความสุขมีความสงบนี่ใช้ได้แล้วไม่ใช่พุโทโธให้ใจนิ่งๆลูกเดียวนะพุโทโธแล้วก็หัดรู้ทันใจไปมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยสอนหลวงพ่อท่านอาจารย์บุญจันทร์วัดถ้ำผาพึ่งท่านมรณภาพไปแล้วท่านให้บริกรรมบอกว่าพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจนะพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจพุโทโธแล้วคอยรู้ใจตัวเองไหม พุทโธเป็นสิ่งที่ใจเราไปอาศัยรู้เข้าเท่านั้นเองเมื่อรู้แล้วแล้วก็ให้รู้ทันใจอเช่นพุทโธพุทโธใจหนีวิคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจหนีไปพุทโธแล้วจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขอ่าเราไปเข้าสํานักหายใจหายใจออกหายใจเข้าส่วนมากชอบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกใจชอบแน่นๆลองไปฝึกกับข้างดูนะหายใจออกหายใจเข้าในใจจะโล่งเลยในพระไตรปิฎกก็มี พิสูจทั้งหลายนะให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวก็หายใจออกก่อนนะเพาะภาวนาจะง่ายขึ้นแล้วนี่หายใจไปเพื่ออะไรหายใจเพื่อจะรู้ทันใจะเหมือนกับหายใจเหมือนกับพุทโธนั่นแหละหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันจิตหายใจไปจิตไปเพ่งลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเมื่อจิตไหลไปอยู่กับลม หายใจไปแล้วจิตมีปีติก็รู้มีสุขก็รู้เป็นอุเบกขาก็รู้หายใจเพื่อจะรู้ทันจิตรู้ทันใจของตนเองนะพอเลิกหายใจแล้วกลับมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่ก็คอยรู้ทันจิตใจของเราไว้จิตใจเราจะเปลี่ยนละต่อไปนี้นะไม่ได้สุขสงบอย่างตอนนั่งหายใจเล่นนะนะเห็นหมาบ้าวิ่งมานี่ความกลัวโผล่ขึ้นมาละดูออกนะเห็นเพื่อนเราเดินมาเราดีใจความดีใจโผล่ขึ้นมานดูออกเพราะงั้นเราหัดพุโทโธหัดหายใจคอยรู้ทันใจ ใครเคยฝึกพองยุบก็พองยุบไปพองยุบไปแล้วก็จิตหนีไปเที่ยวรู้ว่าจิตหนีไปเที่ยวพองยุบแล้วจิตไปเพ่งท้องรู้ว่าเพ่งท้องะเนี่ยรู้ทันจิตเหมือนกันอย่างนี้ก็ไปได้อีกคนบางคนเดินจงกรมยกท้าอย่างเท้านะขาซ้ายขา ข, าขวาเห็นร่างกายมันเดินไปเดินไปเดินไปบางทีใจก็ไปเพ่งเท้าบางทีใจก็หนีไปคิดเรืเ่องอื่นให้รู้ทันใจไว้รู้ทันจิตรู้ทันใจไว้ งั้นถ้าจะฝึกดูจิตเนี่ยกรรมาฐานอะไรนะ่ะไม่เลือกเลยได้หมดเลยกิดทั่งดูหนังดูละครอย่างฝึกได้เลยนะเนี่ยพูดอย่างนี้พวกเราก็มีกําลังใจเลยนะเราดูทีวีนะสมมติหนุ่มหน่มเห็นนางเอกมันสวยใจมันชอบแนละ้วชอบรู้ว่าชอบนะนะผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงเห็นนางเอกก็มักจะนิยมยกย่องนะยกเว้นขี้ฉ า, าจริงนะเห็นนางเอกก็อิดฉาเขาอะไรเงี้ยนะนานๆเจอรายหนึ่งส่วนใหญ่เห็นนางเอกก็คอยลุ้นเอาใจช่วยนะ แล้วก็คแค่เกลียดนางอิจฉาเพเกลียดนางอิจฉารู้ว่าเกลียดนางอิจฉานะเอาใจช่วยนางเอกรู้ว่าเอาใจช่วยนี่นางเอกถูกนางอิจฉาแกล้ลงบ่อยๆแกล้งหลายตอนแล้วนะเราวเอาใจช่วยหลายตอนแกล้งมานานจนชักโมโหแล้วอีนี่งโง่ถาวร น, นะเคยเป็นไหมเอาใจช่วยมากๆโมโหนะโ <il> มโหรู้ว่าโมโหนะหหนี่เห็นไหมดูหนังดูละครทําได้หมดอ่ะนะดูข่าวการเมือง หรือดูข่าวเศรษฐกิจทําได้ทนะี่นั่นน้ำมันขึ้นระคายแล้วใจแป้วเลยนะใจแป้วรู้ว่าใจแป้วเลยนะพุ้นตกแล้วหมอภัยชอบเล่นพุ้นหนะังภาพไปโอ้จ่ายไอีกแล้วนะใจห่อเหี่ยวรู้ว่าห่อเหี่ยวนะเห็นไม่ทําอะไรก็ไดนะ้ถ้าจะสรุปว่า เ, เราทํากรรมฐานตอนไหนหลวงพ่อสรุปให้ง่ายๆนะเราทํากรรมฐานตอนที่มีผัสสะนั่นเอง เมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายสัมผัสเมื่อใจคิดนะงั้นถ้าเราทํากรรมฐานอย่างนี้เป็นตามองเห็นเราก็รู้ทันจิตใจหูได้ยินเสียงรู้ทันใจนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสรู้ทันใจไปด้วยนะเราจะเข้าใจความจริงอย่างรวดเร็วว่าจิตไม่ใช่เราจิตเกิดดับตลอดเวลานะแล้วเข้าถึงธรรมะในเวลาอันสั้นในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งชื่อพระปุถิระ ท่านไม่ได้ชื่อโพรธีระหรอกนโปรธีระเป็นคําที่พระพุทธเจ้าแซวท่านโพรธีระแปลว่าใบลานเปล่าท่านองค์นี้จําคมภีร์ได้หมดเลยสอนลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเลยแต่ท่านไม่เคยปฏิบัติท่านรู้หมดจิตมีแปดสิบเก้าดวงร้อยี่สิบเ็ดวงรู้หมดเลยนะแต่ไม่เคยเห็นสักดวงเลยพอมาเฝ้าพระเจ้าโดนแซวโปรธีระโปรธีรนะอายหนีไปอยู่วัดป่าเลยทิ้งลูกศิษย์ลูกหาเข้าป่า ไปหาอาจารย์ใหญ่ขอเรียนกรรมฐ า, านอาจารย์ไม่สอนบอกผมสอนไม่ไหวความรู้ท่านเยอะกว่าผมอีกไม่สอนก็ไปหาอาจารย์รองนะก็ไม่สอนไม่มีใครสอนจนถึงเด็กเนนอายุเจ็ดขวบอายุเท่าเนี้นะเนนก็สอนพระโพธิละนะเนนถามก่อนนะหลวงพ่อจะเชื่อฟังคําสั่งผมไหมผมนะบอกท่านเชื่อฟังสั่งอะไรท่านเชื่ อ, อลุยลงน้ําเลยนะ รู้ทั้งจีวรอย่างนี้นะจีวรตาถ้าใครอยู่ใกล้ชิดตาจะรู้ว่ามันเปียกน้ําแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆถ <Yes. S 1> ้านลุยลงไปในคลองจริงๆในคั้วในบ่อลุยลงไปจนจีวรเริ่มเปียกน้ําเน้นบอกหยุดก่อน <Yes. S 1> แค่นั้นพอละนี่เป็นการทดสอบเอง <Yes. S 1> คล้ายๆหนังจีนนะให้คุกเข่าเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วค่อยสอนกรรมฐ า, านนะนั้นเป็นการดัดนิสัยให้ลดมานาลาทิสีซะก่อน <Yes. S 1> อ้าวหลวงพ่อขึ้นมาได้นิมนต์ขึ้นจากน้ําอ่ะ เ네น้นตัชี้ให้ดูบอกมีจมปลวกอยู่จมปลวกหนึ่งมีรูถกรูนะบอกท่านอุดซะห้ารูนะท่านเฝ้าไว้รูเดียวนะเดี๋ยวท่านจะจับห้สัตว์ตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในจมปลวกนี้ได้นะในตำลา บ, บอกเฮี้ยตัวหนึ่งหลวงพ่อยังไม่เคยเจอเฮี้ยอยู่ในจำปลวกนะบอกเอาสัตว์ตัวหนึ่งก็แล้วกันพรนะะโปรีราฟังแค่นี้เข้าใจวิธีปฏิบัติแล้ว ปิดห้ทวารไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ฟังไม่ไม่คิดอะไรนะรับรู้อารมณ์กระทบอารมณ์ตามธรรมชาติแต่กระทบแล้วรู้อยู่ที่มโนทวารเราให้รู้ทันใจของเราไว้เหมือนที่สิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังมาชั่วโมงหนึ่งนี้นหะเพ้นพวกเราอยากทําง่ายๆอยากปฏิบัติง่ายๆนะอ่านใจตัวเองตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทํางานที่ใช้ความคิดขณะที่เราทํางานใช้ความคิดเราต้องรู้เรื่องที่คิด ขณะที่รู้เรื่องที่คิดเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ไม่มีใครรู้ได้หรอกเพราะจิตนะั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนั่นในขณะที่เราทํางานที่ต้องคิดเราคิดให้มันรู้เรื่องคิดไปคิดไปชักขี้เกียจแล้วขี้เกียจให้รู้ว่าขี้เกียจขี้เกียจไม่ใช่งานนะขี้เกียจเป็นกิเลสรู้ทันไม่ขี้เกียจฝึกไปตั้งใจทํางานไปหลวงพ่อเมื่อก่อนรับราชการงานเครียดนะนั่งคิดทั้งวันเลยอยู่สภาความมั่นคง เมื่อก่อนก็ไม่ให้บอกนะว่าอยู่สภาความมั่นคงก็อยู่ทำเนียบรัฐบาลถ้าใครบอกอย่างนี้ก็ไม่สภาความมั่นคงก็รมประมวลสำนักข่าวกลองอะไรเงี้ยคิดทั้งวันเลยนะเพราะงั้นเวลาทำงานเนี่ยหัวหน้าหลวงพ่อเนี่ยเขาจะสังเกตความผิดปกติของหลวงพ่อได้อย่างหลวงพ่อเนี่ ย, เ, ยเดินไปเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงเลยเราทำงานอยู่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยความจริงยังไม่ได้ปวดจะเข้าห้องน้ำอะไรหรอกเราเบรกตัวเองแั่สองนาที เบรกตัวเองก็คือทำงานอยู่นะขยับตัวลุกขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวแค่ร่างกายเคลื่อนไห ว, รร เ, รไหวเรารู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วนะเราทำงานมาเป็นชั่วโมงแล้วเราดูจิตไม่ไหวเหนื่อยจิตใจสับสนฟุ้งซ่านดูไม่ออกแล้วรู้กายไปนะเราเห็นร่างกายเนี่ยเดินไปห้องน้ำผู้ชายมันก็ไปยืนฉี่นะไปยืนฉี่เสร็จแล้วแมมรู้สึกสบายใจใช่ไหมฉี่เสร็จแล้วกลุ้มใจหมมันต้องรู้สึกสบายใจใช่ไหม สบายใจรู้ว่าสบายใจไมนะ่กลับมาดูจิตแล้วนะทีแรกเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ําเห็นร่างกายมันไปยืนฉี่เสร็จแล้วนี่จิตใจสดชื่นแล้วมีความสุขเดินกลับมาแนะ้วเจอเพื่อนทักทายกับมันคำสองคามันเล่าอะไรตลกให้ฟังขำรู้ว่าขำนะกลับมาทํางานต่อจดจ่อกับงานต่อไปนะี่ฝึกอยู่อย่างเนี้ยงั้นเราจะอ้างไม่ได้นะนะครูบาอาจารย์ท่านไปชวนหลวงพ่อมาบวช บอกให้มาช่วยสอนโยมหน่อย โ, ยโยมชอบอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติรวงพ่อปฏิบัติตอนเป็นโยมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ้างไม่ขึ้นนะว่าเป็นโยมแล้วทำไม่ได้ธรรมะไม่มีพระไม่มีโยมนะใครทำคนนั้นได้พระกับโยมนี่ของสมมุติของจริงๆก็คือเรามีขันห้าเหมือ น, อนกันมีรูปมีนามเหมือนกันใครตั้งใจรู้ขยันรู้ขยันดูก็เข้าใจความจริง ดูบ่อยก็เข้าใจความจริงเร็วนานๆดูทีหนึ่งก็ไม่เข้าใจความจริงเช่นนานๆวันหนึ่งรู้ตัวเองได้แว บ, บหนึ่งแล้วก็หลงไปอีกสิบชั่วโมงรู้อีกแวบบเวลาส่วนใหญ่กีเลสเอาไปกินหมดเลยใช้ไม่ได้หรอกแม้ตั้งแต่ตื่นนอนนะรู้ไปด้วยขึ้นรถลงเรือรถติดหงุดหงิดร่วงหงุดหงิดวันนี้เจอแต่ไฟเขียวดีใจรู้ว่าดีใจอะไรู้ให้ได้ทั้งวัน แล้วจะไม่รู้สึกเลยว่าธรรมะเป็นของห่างไกลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่าววันนี้สมควรแก่เวลาเชิญโยมกลับไป